จติและนิพพานไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลเป็นปริตะเป็นกามาวจรไม่เป็นรูปาวจรไม่เป็นอรูปาวจรนับเนื่องในวัฏทุกข์ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์เป็นสภาวะไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอันมญมญณีหกรู้ได้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 มีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่ารูปขันสองเวทนาขันทุกกะมูลกะวาล3าสบรรดาขันหนั้นเวทนาขันเป็นไฉไหนเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุต ด, ด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดทหมวดละสอง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 เวทนาขันหมวดละห้าได้แก่เวทนาขันที่เป็นสุขขินซีก็มีที่เป็นทุกขินซีก็มีที่เป็นโสมนัสสินซีก็มีที่เป็นโทมนัสสินซีก็มีที่เป็นอุเปกขินซีก็มีเวทนาขันหมวดละห้ามีเรื่องอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละหกได้แก่เวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัส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 35. เวทนาขันโหมดละหนึ Bened ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันโหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีเวทนาขันโหมวดละสได้แก่เวทนาขันที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี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 ที่วิทยุจากนิวร์ก็มีเวทนาขันที่วิทยุจากนิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวร์ก็มีที่วิทยุจากนิวร์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวร์ก็มีเวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีเวทนาขันที่สัมปยุจด้วยปรามาตก็มีที่วิทยุจากปรามาตก็มี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 ที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีเวทนาขันที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีเวทนาขันที่นับเนื่องในวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ก็มีเวทนาขันที่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนาออกจากวัฏทุกข์ก็มีเวทนาขันที่ให้ผลแน่นอนก็มี ที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีเวทนาขันธ์ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีเวทนาขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสามได้แก่เวทนาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มีเวทนาขันธ์หมวดละสิบ